วันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนสามปีสี่เจ็ดเป็นวันร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันไหว้พระที่ศาลาถ้าหากว่าไม่มีาศาสนพิธีจะเลยก็มันก็าขาดแต่ถ้าว่าใช้าศาสนพิธี เป็นชีวิตจิตใจไปเลยก็ลักษณะยึดแนวแถวนอกเกินไป<ม>ทำยังไงจึงจะพอเหมาะมอย่างการไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้<ม>หรือว่าการกราบพระการไหว้พระ<ม>การอยู่ร่วมกัน<ม>การแสดงออกความพรอมเพียงสามัคคีในหมู่คณะอันนี้ก็คือ มันเป็นการแสดงพลังหรือว่าการแสดงความสมัครีแต่ก็มีศาสนพิธีเป็นหลักแต่ทางว่าพวกเรารู้กันทุกคนแล้วศาสนพิธีก็ไม่มีปัญหาแต่ทางว่าผู้เรียนรู้ใหม่ก็จะต้องได้ศึกษาวิธีการไหว้พระทำยังไงกราบพระทำยังไงบางคนก็ถามเขาว่า การพระด้วยเบญจางขปดิษฐ์นั้นทำอย่างไรการเพื่อองค์หนั้นทําอย่างไรถ้าว่าไม่ได้รับการศึกษาหรือว่าไม่เคยเห็นมาก่อนก็ทําไม่ถูกเพราะฉะนั้นเรื่องสาจะนาพิธีเนี่ก็เป็นผู้เริ่มต้นผู้ได้รับการศึกษาเบื้องต้นแต่ถ้าว่าพวกเรารู้แนวทางแล้วเราก็ไม่จําเป็น อย่างที่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าสาสะนาพิธีเนี่ยเหมือนกับแมวมันเกิดขึ้นมาใหม่เขาโยนหางเชือกให้มันก็ไล่ตะปบไล่ตะคบมันว่าเป็นหนูแต่แมวใหญ่เนี่ยไม่สนใจเพราะรู้ว่าอันนี้คือเสือ้อถ้าเป็นหนูมาท่านเองกิงตะปบอันนี้ก็เป็นท่านเปรียบเทียบเหมือนกับผู้ปฏิบัติ ศึกษารู้แนวทางปฏิบัติแล้วเรื่องาศาสนพิธีนะันก็คือเป็นส่วนหนึ่งส่วนปฏิบัติเอาจริงเอาจังในการกระทำของตัวเองทางกายทางวาจาทางใจนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งแต่ผู้ศึกษาดีแล้วนะเน้นในทางภาคปฏิบัติมากกว่าเริ่มตั้งแต่ศีลอย่างพวกเราเป็นพระศีล พระพุทธเจ้าท่านไล่เลียงไปหมดศีลมีความจําเป็นอย่างไรสําหรับพวกเรากฎระเบียบมีความจําเป็นอย่างไงกับพวกเราถ้า พ, พระไม่มีศีลจิตใจก็เควงคว้างจิตใจไม่มีกรอบจิตใจหาหลักจิตไม่ได้แต่ถ้าพวกเรามีศีนสัมบูรวมกายวาจาและผลแห่งการสํารวมกายวาจา ก็มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นมีความอบอุ่นทางจิตใจว่าเราไม่ได้ทำความผิดทางกายทางวาจาเมื่อเราไม่ได้ทำความผิดทางกายทางวาจาจิตใจของเราก pues, ็มีปีติขึ้นในใจเ อ, อิบอิ่มในใจเมื่อมีปีติแล้วก็มีความสุขเมื่อมีความสุขจิตใจก็ เข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบพิจารณาเมื่อจิตใจอยู่กับตัวเองแนละ้วพิจารณาอะไรนำมาพิจารณาอะไรก็เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกฎกเป็นเกณฑ์เห็นตามความเป็นจริงท่านก็ไล่ไปเลยจนถึงญานัศสนะพนมุตติญาทัศนะวนศนะความหลุดพ้นจากกิเลสออกมาจากสินเป็นพื้นฐาน จนถึงบิมุตติยาณนัศนะเพราะนั้นเราอย่าไปมองข้ามเรื่องสินถึงจะเป็นอาบัติเล็กน้อยก็ตามไม่ควรจะมองข้ามควรจะสัมรวมกายวาจาให้เห็นโทษไว้อยู่เสมอถ้าว่าเราได้ห่วงละเมิดโดยบังเอิญหรือว่าไม่เจตนาอะไรก็ตามถ้าเรารู้แล้วก็ แสดงอาบัติสะสำรวมระวังต่อไปอันนี้คือการรักษาศินคือรักษากายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยถ้าเราไปอยู่คนเดียวในป่าหรือองค์เดียวในป่าเรื่องสินนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสําคัญอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ในป่าแล้วจะทำตามอำเภอใจตามทำตามอัถาใจ ทำตามต้องการหนีจากครูบาอาจารย์ไปแล้วทำแบบไม่มีกฎมีเกณฑ์ยังไงก็ได้เพราะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นแปลว่าไม่นานใจร้อนยิ่งกว่าไฟอีกจูไม่ได้ถ้าหาว่าเราไปอยู่ตามลำพังองค์เดียวในป่ายิ่งเข้มงวดกวดขันกับตนเองเป็นอย่างมากการจะก้าวเดินการจะทาอะไร ต้องคิดต้องอ่านต้องสมัมผูมต้องระวังถ้าท่านผู้ใดทำอย่างนั้นได้ใจมีแต่ความเยือกเย็นใจจะมีแต่ความผ่อเย็นเป็นสุขเพราะใจมีหลักใจมีที่ยึดเหนี่ยวเมื่อมองถึงศินของตัวเองก็มั่นอกมั่นใจถ้าหากว่าตัวเองไม่ศินไม่มีถ้าว่ามองถึงศินนั่นก็โค้งเครลงเมื่อโค้งเครลงจิตใจก็ หาหลักยึดไม่ได้ใจก็ร้อนแต่ถ้าว่าเรารักษาศีลสำรวมกายวาจาตีตามพระปฏิโมกหรือศีลอภิสมาจารที่เราได้ศึกษาได้นรู้แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินั่นหละใจของเราจะหนักแน่นใจของเราจะมั่นคงเสียงอันไหนมา เข้าไปในสมาคมใดก็เชื่อมั่นเข้าไปในกลุ่มใดก็มั่นใจแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้ไม่มีสินเป็นที่ตำหนิเป็นที่มองตัวเองไม่เป็นผู้มีมสินเข้าไปสู่สมาคมใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาคมหมู่พเพื่อนคู่บาอาจารย์หมู่พเพื่อนเราก็ระวยงระวังระวาดระ ว, วงกลัวเขาจะทุกขทวงติ่งขึ้นมา ในการกระทำของตัวเองที่ทําไม่ถูกตามหลักพระธรรมพินัยอันนี้เหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับวัวสันหลังบะวัวสันหลังเป็นแผล อ, อ, อีกาบินมาใ น, ในทางอากาศมันร้องท่ายเนี่ยวัวก็ดุ่งละ่ะท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นโ บ, โบราณโบราณแต่ตามไม่จริงก็อย่างนั้นจริงๆน่ะทางว่าเราเป็นผู้ขาดในศีลาจารวัดแล้ว ใ้ของเราก็ไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเหมือนกันวาดระแวงอย่งกลัวหมู่หรือใครจะโจดทวงติ่งขึ้นมาเพราะนั้นเรื่องศินเราไม่ควรจะมองข้ามศินเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราทุกๆกท่านอย่างเมื่อครั้งแรกพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้บัญญัติพระวินยัยไม่ได้บัญญัติสินเพราะครั้ง บวชใหม่พระบวชใหม่ยกตัวอย่างอย่างปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอย่างนี้พอบวชเข้ามาท่านก็นบาเพ็ญก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหรันในขณะที่ฟังพระธรรมเทศนาของพู้เรียเจ้ากายวาจาใจของท่านเป็นมีธรรมทั้งหมดจะเป็นผวงล่วงละเมิดศีลได้อย่างไรเพราะใจของท่านเป็นธรรมเสียแล้ว กายก็เป็นธรรมวาจาก็เป็นธรรมเพราะใจของท่านเป็นธรรมต้นต่อหลักใหญ่เป็นธรรมจากนั้นมาท่านกมาเทศชนายศสกุลบุตรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกต่อมาท่านกมาเทศชดินสามพี่น้องอุลุเวลานาทีขยากัสปาท่านทั้งสามก็ได้ทั้งบริวารพันสามองค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรอันต์ อ, ก อ, อ, กก 1, อีก จากนั้นพระพุทธองค์ก็แบ่งแยกพระสงฆ์ไปโปรดพระศาสนาในสถานที่ต่างๆพระสงฆ์เหล่านั้นก็ไปประกาศผู้ที่เขามาบวชในยุคแรกถ้าจะว่าไปแล้วก็ เ, เป็นยุคผู้มีบุญวาดาสนาเก่ามีทุนเดิมมาจากอดีตชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมอยู่ในขณะนี้อยู่ในป่าดงพงไพยก็เป็นผู้มุ่งมั่น ฝักใฝ่มุ่งมั่นว่าทำยังไงข้าพเจ้าจึงจะพลิกจิตพลิกใจยังไงพิจารณาอะไรใจของข้าพเจ้าจึงจะพ้นจากทุกข์ในวัฏะสงสารให้โดยเร็วพรนคือมีความมุ่งมั่นอยู่จตลอดเวลามีความพยายามอยู่มีความตั้งใจอย่างหนักแน่นแต่ในพบนี้ชาตินี้ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ บุญวัสนาบารมียังไม่เต็มยังไม่เต็มบริบูรณ์จากนั้นก็นขึ้นไปอยู่ในภพภูมิต่างๆเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกอย่างคราวหน้านี่คือภะษีอริยะเมตไตรจะลงมาตรัสพวกเราถ้ายังตกค้างอยู่ยังเป็นภูมิบำเพ็ญอย่างพวกเราพิจารณาถึงไตรลักษณิจังทุกขังอนาตาพิจารณาถึง ความเกิดความตายพินาถึงความเสื่อมเคยฝึกสมาธิมาแล้วอย่างแน่วแน่เจนี้พอไปเกิดอีกพบหน้าชาติหน้าบุญบา ร, รมีเก่าพวกเราก็จะเมื่อได้ฟังภาษาวกของพระีอริยเมตไตรหรือได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษของพระองค์จากองค์ท่านเป็นผู้องค์แสดงธรรม เราก็มีอุปนิสัยเก่าอย่างที่พวกเราเคยฝึ ก, กจิตตภาวนาอยู่ในขณะนี้พวกเราก็จะยังเข้าไปตามที่พระพุทธองค์ท่านพาชี้แนะพาชี้นำพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ทำใจอย่างนี้อย่างนี้ทำจิตให้สงบอย่างนี้แล้วพิจารณาอย่างนี้ปล่อยวางอย่างนี้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้เราก็เดินตาม กำหนดจิตเดินตามที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่ท่านรู้ผ่านมาแล้วท่านรู้มาแล้วพวกเราก็เดินตามพิจารณ า, าตามใคร่ว่าเดินตามหลังท่านไปพอถึงคลองกระโดดข้ามภพชาติต้องทําอย่างนี้จะเข้าไปสู่ยาณอาวกาศต้องเป็นอย่างนี้เมื่อพวกเราตะก่อนเราก็พิจารณ า, าไปแล้วแต่มันไปไม่ได้ แต่พอได้ยินพระอาหารหันต์และได้ยินพระพุทธเจ้าท่านบอกความจริงให้ฟังสาวกเหล่านั้นก็กระโดดออกไปสู่อวกาศคือเข้าสู่แดนนิพพานออกจากวัดตะวนวัดตะจับไม่มาวนเวียนอีกอันนี้คือจิตหรือว่าพระอาหารหันต์หรือว่าพระสาวกรุ่นแรก เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าหรือพระยินพระธรรมเทศนาของพระสาวกที่ท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลท่านก็สอนไปเรื่อยๆกว้างขวางไปเรื่อยๆแปลว่ายุคแรกก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมากต่อมากพอเมื่อได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระโสดาพระสกทาอนาคาอารหันต์แล้วเรื่องกายวาจาของอื่นอย่างอืงอง่นอย่างศีลอย่างเนี้ย พระสาวกทางหลายเหล่านั้นพราะพระตเจ้าก็ขาไม่ได้หนักใจเพราะท่านเป็นผู้มีธรรมอยู่ในใจแล้วที่จะคิดฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดเอ อ, อย่างอื่นเรื่องกามัมกิเลสเรื่องชุลาอะไรไม่มีเสีแล้วต้นต่อออกไปจากใจใจเป็นธรรมเสีแล้วเพราะฉะนั้นรุ่นแรกเพราะพระตเจ้าไม่ได้บัญญัติวิไนเพราะพระที่บวชรุ่นแรก ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือพระเกรดเอคือพวกหัวดีมีบุญบรารมีเก่ามาเกิดส่งมาเกิดจากนั้นผงทุลีในจิตใจของท่านเหล่านั้นกิเลสในใจของท่านเหล่านั้นเบาบางท่านมีแตมุ่งมั่นในธรรมคนที่มุ่งมั่นในธรรมจะไม่ทําความชั่วอย่างื่นถ้าว่าคนมีกิเลสเท่านั้นเองน่ะมันจะสายแสหาเรื่องต่างๆมาใส่ตัวเอง เพราะนั้นพระอรหันต์พระสาวกของผู้ใเจ่ารุ่นแรกไม่ได้ปัญญัดวินัยพอต่อมานานมานานมาพระสงฆ์สาวกพระบวชเข้ามามากเข้ามากเข้าจากต่างถิ่นต่างแดนจากตระกูลต่างๆชาวไร่ชาวนาพ่อค้าประชาชนพอเข้ามาไม่ได้เลือกบุคคลหรอกแต่ว่าคนมันหยาบขึ้ น, นเรื่อยๆ คือไม่มีศรัทธาอย่างเต็มที่เชื่อบางไม่เชื่อบางอย่างพวกเรายุคสมัยนี้น่ะถึงจะได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากพระธรรมคาสั่งสอนแต่จิตใจของเราก็ยังไม่เต็มร้อยยังมีความสงสัยอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นการวิธีไม่ทุ่มเต็มที่นั่นนะ่ะก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดความชั่วเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราได้ในเมื่อมันออกมา ทางกายทางวาจาทางใจมันก็กิเลสมันมีเป็นพื้นฐานเป็นสั้นดานอยู่แล้วมันก็ออกไปในทางชั่วพอออกไปทางชั่วทีนี้การที่กระทําความชั่วอยู่ในกลุ่มของสงฆ์พระสงฆ์ก็หยาบขึ้ น, นเรื่อยๆพระสงฆ์ทั้งหลายจึงได้กราบพระราธนาภพุทธเจ้าให้บัญญัติวินัยพระพุทธองค์ก็เลยบัญญัติวินัยเป็นอันอันดับแรกก็คือ เรื่องปาราชิกข้อที่หนึ่งพระสุทินนะเป็นผู้กระทาความผิดนี่แหละจากนั้นมอพศพระองค์ก็บัญญัติวินัยมาเรื่อยเรื่อยเร อ, เ, อ, อเราจะค่อยศึกษาดูในพระไตรปิฎกเรื่องวินัยเรื่องกฎและเบียบของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วจะมีเหตุมีผลบางทีก็บัญญัติไปแล้วแก้ไขเป็นอนุบัญญัติบัญญัติเพิ่มเติมหรือ บ, บ, าบางทีเขถอนขึ้นมา แล้วจุดนั้นที่บัญญัติไปแล้วผิดก็มีบัญญัติที่หลังเพิ่มเติมพวกอีกให้ย่อนลงมาหรือบัญญัติให้แข่งขึ้นไปอีกพวกเราจะเห็นในพระไตรปิฎกในพระวินัยปิฎกถ้าพวกเราอ่านศึกษาอันนี้ก็คือกฎระเบียบในการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าว่าพวกเราไม่มีพระวินัยคุ้มครอง ไปที่ไหนก็ใครอยากจะทําอะไรทําตามมัทธาใจทําตามอําเภอใจพวกเราก็ยิ่งอาจจะยิ่งกว่าฆรวาสก็ได้แล้วเอาเปรียบฆรวาสเขาอีกพวกเราไม่ได้ทําไร่ทํานาไม่ได้ทํามาค้าขายเแต่ไปขอข้าวเขากินเลี้ยงชีพกับคนอื่นเขาแล้วว่าการกระทําของเราก็ย่ําแย่เราไม่มีฮิิโอตาปะอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดสําหรับพวกเรา ท, ทุกทุกท่านเพราะนั้นให้พวกเราที่เป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนาถึงอย่างไงยังไงก็ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยให้ยึดหลักพระธรรมวินยัยถ้าเราอยากจะยึดกฎหมายบ้านเมืองเป็นหลักเราก็ควรเป็นฆราวาสแต่นี่เราเป็นพระเราต้องยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้น เป็นแกนนาหรือว่าเป็นแกนหลักของกฎหมายกฎหมายยังเป็นเป็นประเด็นสองประเด็นหยาบแต่กฎของพุทธศาสนาใท่านยึดหลักธรรมวินยัยอย่างจริงจังแล้วกฎหมายเข้าไม่ถึงกฎหมายเป็นของหยาบมากยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้ ปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิศินสำหรับพ่อหนึ่งสำหรับฆราวาสคือพระก็ต้องมีศินรักษาศินตัวนี้เหมือนกันสำหรับกฎหมายบ้านเมืองฆ่าปลาได้ฆ่าไก่ได้ฆ่าตัวเองเลี้ยงถ้าไปขโมยของคนอื่นไม่ได้แต่ตัวเองฆ่าได้แต่ศิลของพระพุทธเจ้าถึงจะเลี้ยงเองก็เดียเกิดเองก็ดีทำอะไรเองห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ทั้งหมด ยกตัวอย่างนวันตัดมูลฐานแห่งความชั่วในการเบียดเบียนสัตว์ไม่ต้องพูดถึงฆ่ามนุษย์ฆ่าคนถึงเขาจะผิดขนาดไหนก็ตามเพราะพุทธเจ้าไม่ให้ฆ่าไี่จะจับคุมขังกักขังไว้ถ้าว่าเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนากับอัเปหิให้ศึกออกไปไม่ให้คบฆ่าสมาคมศึกออกไปฆราวาส ด้วยอาบัตที่ว่าคือโทษประหารของพระก็คือสี่ข้อบาลาชิตสพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ไวหมดแล้วเพราะนั้นหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่ถ้าจะว่าไปคงเส้นคงวาพวกเราสวดพระปฏิโมกอยู่ทุกวันทุกส5บหําคำอย่างวันพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถ พวกเราคงจะสวดทบทวนในสินของพวกเราสินส2ยีข้อตั้งแต่ปาราชิกสี่สังฆาทิเศษส3สอนยศสองนิสกียปจิตี30มสิปจิตีเกิปฏิเทศนิยะสีเสขียวัตร75สหอธิการณะสมธาเจ็รวมเป็น227อิบันนี้ว่าสินมาในพระปฏิโมกสินนอกพระปฏิโมกยังมีอีก เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นสินนอกพอปฏิโมกนั้นะสำคัญอย่างไรก็สำคัญไม่แพ้กันอย่างในสินนอกพะปฏิโมกห้ามไว้ผมยาวไม่มีในสิน2ีบ็นนะแต่พวกเราก็เอาไว้ผมยาวไม่ได้เราต้องรักษาอย่าไว้เล็บยาวอย่าไว้ขนจมูกยาวอย่าไว้หนวดอย่าไว้เขา่าอย่างนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นสีนะพิสมาจารย์ทั้งหมดอันนี้ยกประเด็นขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแต่นอกนั้นก็ยังมีอีกเยอะแยะสีนะพิสมาจารย์สินาาสนอกพระปฏิโมกที่เราไม่ได้สวดในวันส5บห้าคำนี่แหละแต่ถึงยังไงพระในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาแต่บางท่านบางคนอาจจะคิดว่าทำไมวัดหนึ่งจึงตรึงวัดหนึ่งทาไมหย่อนวัดหนึ่งทาไมทาอย่างนี้ได้ อันนั้นแล้วแต่สุดแท้แต่ท่านผู้รักษาวินัยผู้รักษาศีลของตนเองแต่หลักของพุทธศาสนานั้นใครก็เรียนด้วยกันทั้งหมดศีลสอริข้อมีอะไรบ้างเรียนรู้โดยกันแต่ใครจะศึกษาและใครจะปฏิบัตินั้นก็เป็นองค์แต่ละองค์ไปเหมือนกับคนในประเทศชาติของเราบางทีก็รู้อยู่ว่าอันนี้มันผิดกฎหมาย แต่บางคนก็รักษากฎหมายว่ามันนี้มันผิดกฎหมายเขาก็ไม่ทำแต่บางองค์บางคนชาวบ้านหรือว่าชาวไทยของเราทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายแต่เขาก็ทำเมื่อทำไปแล้วว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายไม่จำเป็นก็ไม่ใช่แสดงว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นผู้ไม่ถือกฎหมายไม่รักษากฎหมายของบ้านเมืองอย่างนั่งรถไปกับ เห็นไฟแดงก็ผาไปเลยอย่างเนี้ยบางทีอาจจะประสบอุบปปเหตุทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายอันนี้แปลว่าเป็นผู้ไม่รักษากฎหมายของบ้านเมืองทั้งที่เขามีกฎขึ้นมาพระของเราก็เช่นเดียวกันเพราะพระพเจ้าบัญญัติวินัยขึ้นมาแล้วแต่พวกเราไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมวินยัยก็แปลว่าผู้นั้นพระองค์นั้นล่วงละเมิดกฎหมายล่วงละเมิดกฎ ศีลของพระพุทธเจ้าเป็นพระที่ว่าไม่รักษาศีลไม่มีศีลถ้าพระรักษาศีลศีลขาดมากๆก็เป็นพวกอรัชชีทั้งกว่าไปแล้วแตนี่ยโมเข้าบลุษทั้งกว่าไปแล้วแตนี่ยแปลว่าเป็นผู้เปล่าประโยชน์กว่าปนามเป็นผู้หยาบช้าไม่เป็นที่เลื่อมใสของบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใส ผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็คลายคลายความเลื่อมใสในภิกษุเหล่านั้นเพราะไม่มีศีลอันนี้พวกเราศึกษาในพระไตรปิฎกพวกเราจะได้ยินในคำนี้บ่อยๆโมฆะภิกษุโมฆะบุรุษที่พระพุทธเจ้าเรียกเข้ามาแล้วก็ประนามนี่แหละอันนี้ก็คือพูดให้ฟัง เป็นแนวทางสำหรับพวกเราให้ตรวจตราดูการกระทําของพวกเราอย่าไปทำในสิ่งที่มันผิดพวินัยมันจะจิตใจของเราจะไม่มีหลักใจของเราเดือดร้อนเราจะตำหนิตัวเองได้แล้วสมาธิที่จะเกิดก็เกิดขึ้นได้ยากอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะใจของเรามันวุ่นวายเพราะใจของเราไม่มีสินเราไม่มีศินกายวาจาของเราไม่มีสิน ใจของเราก็ทุกร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านหลวงปู่มั่นท่านอุปมาอุปไมยท่านบอกว่าผงทุลีเท่านั้นเองมันจะเข้าตาให้ตาโกนฟ้าฟางข อ, อนสูงใหญ่ๆมันไม่เข้าตาเราหรอกมันเรามันเห็นมันใหญ่แต่ผงทุลีเล็กๆน้อยๆ น, น, น่ะมันเข้าตาเราให้ตาเราฟ้าฟาง มองม่เห็นสัจธรรมคือของจริงเพราะนั้นท่านสรุปแล้วก็คือท่านให้สำรวมในสินพระปฏิมโมกสินอภิสมาจารถึงจะเป็นอวบัดเล็กน้อยท่านก็ไม่ให้มองข้ามให้สำรวมให้ระวังอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราอย่างพระมหากัส ป, ปะอย่างนี้ยกตัวอย่างนะ ที่ท่านจะทําสังขารนานะท่านปารบอะไรเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานสมัยนั้นไม่มีเครื่องวิทยุกระจายเสียงไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์อย่างมากท่านก็รู้ด้วยท่านเองญาณทัศนะของท่าน <Okay. S 1> แต่ญาณทัศนะของท่านท่านก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาอวดมาอ้าง เ, เดี๋ยวนี้พระไตเจ้าไปอยางงนี้ไม่ใช่จะปวดนั่งท่านก็เก็บเข้าไว้ในฝักถึงจะรู้ท่านก็รู้ว่าในในฝักต้องหาหลักฐานยืนยันอีกครั้งหนึ่งจ้นี้พระทตเจ้าปรินิพานที่เมืองกุชินาราพระมหากัสปะท่านก็ยังพาหมู่พระสงฆ์ทั้งห้าร้อองค์เที่ยวทุดงเที่โยวโปรดญาติโยมจากนั้นท่านก็มี นิมิตเครื่องหมายคือดอกไม้ตกลงมาจากท้องฟ้าพระมหากตปะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ระเอออันนี้เป็นเครื่องหมายออต้องแสดงมีมีเหตุเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นท่านก็ถามคนที่ไปผ่านเมืองกุชินาลาว่าได้ยินไหมศาสดาของเราพระพุทธเจ้าของเราเออ ทางนู้นเป็นยังไงพวกเขาก็ให้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าสัมมาโกรลมปรินิพานแล้วได้สองสามวันแล้วลักษณะอย่างนั้นแต่นี้บางองค์ที่เป็นพระอระหันต์ท่านก็ก้มหน้าอือพระพุทธเจ้าถึงท่านจะเป็นบรมครูของพวกเราเป็นผู้รอบรู้ทุกอย่างโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลก ท่านเป็นผู้กายวาจาใจหมดจดทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่พ้นในไตร ล, ลักษณ์อนิจจงทุกขังอนัตตาในประวรากายของพระ อ, องค์ส่วนจิตใจของพระ อ, องค์นั้นหมดจดจากกิเลสไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเกาะเกี่ยวได้แล้วแต่ธาตุขันธ์ของพระ อ, องค์เหมือนกับคนทั่ ว, วไปจะต้องแตกสลายอยู่ในกฎของอนิจจงไม่เที่ยงเหมือนกับพวกเรา อันนี้คือท่านคือเป็นพระอรหรันท่านกับปวงธรรมสรดสังเวชในจิตใจถ้าว่ายังเป็นพระอนาคามีอยู่ท่านกับปวงโอ้เรายังไม่ได้พ้นทุกข์ท่าว่าพระพุทธองค์ยังทรงประชนอยู่เราอาจจะได้ฟังอุบายในการประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราก็อาจจะพลิกใจจนถึงเป็นพระอรหันได้ถ้าต่ำลงมากว่านั้นอย่างพระโสดา จกราท่านยังมีกิเลสอยู่ท่านก็มีน้ําตานองหน้าเออพวกเราเหมือนกําลังก้าวบันไดขึ้นสู่ลานเราเดินยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่เรามั่นใจแล้วว่าเราไม่หลงทางแต่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางพี่เลี้ยงคือพระพุทธเจ้าผู้นําทำให้แก่พวกเรา มาด่วนจากไปเสียแล้วพระเหล่านั้นก่อน้นําตานองหน้าร้องให้เพราะท่านยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ยังไม่ตัดขาดใครๆว่าเพียงแต่เบาบางเท่านั้นเองแต่ยังไม่ตัดขาดจากกิเลสแต่นอกจากนั้นพระที่ยังไม่มียังไม่ได้พ้นทุกข์แต่มีความมุ่งมั่นอยากจะภาวนาให้พ้นทุกข์ในวัฏะสงสารแต่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ท่านเรานั้นท่านก็โอ้ตายเรายังไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเลยในชาตินี้อย่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแสงประทีปให้แก่พวกเราเดินก็มาจากไปเสียแล้วพวกเรามีแต่มืดมิดปิดตาอยู่ในวัตตบุของวัฏะสงสารเราไม่รู้จะตกไปทางไหนหนออันนี้ก็ยิ่งทุกข์ใจเลย ไม่รู้จะเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานตกมาโลกหมกไหมอีกก็ไม่รู้เพราะยังไม่ได้เข้าสู่แนวทางคือยังไม่ถึงจุดคือพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันไปวัดขึ้นถนนลาดยางแล้วงั้นแต่แต่นอกจากนั้นมาเหมือนกับหลงป่าในเขาลำเนาไผ่ไม่รู้จะไปทางไหนอยู่ในวัดตบนไม่รู้จะเดินทางไหนยังไปทางไหนไม่รู้จักทางเลยว่างั้นแแต่พระโสดาบันเนี่ยแปลว่าเดิน เป็นลูกสองชี้ไปแล้วเหมือนกับขึ้นถนนลาดยางแ่ะลูกสอนก็นชี้ไปเลยกรุงเทพอ่าก็เดินไปเรื่อยๆแล้วไม่หลงทางจนกว่าจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลที่ท่านทำนายไว้ก็คือพระโสดาบันเมื่ อ, อได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็สามชาติชาติหนึ่งเอกพีชีนี่ว่าเกิดชาติเดียว โกลังโกละสามชาติจตุกกตะประมะณเจดชาติไม่เกิดพระนาคามีเกิดชาติเดียวพระสกทาคามีเกิดชาติเดียวพระอนาคามีขึ้นไปอยู่ชั้นพรมห้าชั้นคือเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีอันนี้ก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่นอกจากนั้นมายังไม่ขึ้นสู่ถนนได้บาด อยู่ในหุบผาป่าไม้ไหนก็ไม่รู้อ่อบางทีเดินวกวนเวียนตายไปเกิดถ้าว่าคลองแชมปได้ก็เกิดเป็นมนุษย์อย่างเก่าถ้าคลองแชมไม่ได้ก็เกิดเป็นสัตว์ตีระชานช้างมา้าโควควายหมูหมาเป็ดไก่เอ่อบรตกนรกหมกไหมฟุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยอ่อจนกว่าที่จะได้บําเพ็ญอ่อให้เต็มที่จนได้ถึงเป็นพระโสดาบันนั่นละ่ะอันนี้ก็คือพระสาวกของพระพุทธเจ้า ที่เป็นปุตุชนก็คิดอีกแนวหนึ่งน้ำตานองหน้าร้องหม่มร้องไห้แต่มีอยู่ในนั้นอีกองหนึ่งอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะอยู่ในกลุ่มของพระมหากรปปะเจาองค์นั้นเป็นผู้บวชพายแก่คืออายุแก่แล้วมาบวชคือการกระทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วว่างั้นเถอะพอ ก, การกระทำสิ่งไหนผู้พระองค์ก็บัญญัติ ไปทำผิดตรงไหนพระหมูพว ก, พวกเพื่อนก็บอกเอออันนี้ตรงตาทําอย่างนี้ไม่ถูกนะอ อ, อันนี้ผิดวินัยตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วนะ อ, อท่านก็อึดอัดแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเราเข้ามาบวชการบวชของท่านก็คงจะไม่บวช ด, ด้วยศรัทธาความเชื่อบางไม่เชื่อบังเ อ, อบางที่อาจจะไม่เชื่อเชอเลยก็ได้อาจจะเข้ามาบวชแล้วเพื่อหาหนทางเลี้ยงชีพไปง่ายเพราะการเป็นนักบวช เห็นท่านพาเดินกับเดินไปตามท่านอย่างนั้นเทนี้ก็พอทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วที่เมืองกุชิดาลาพระมหากัตริยก็ประชุมสงฆ์เออพวกเราจะต้องเดินไปกลับถวายพระศพกราบพระศพพระศีละของพระพุทธเจ้าของเราก็หันเบนไปพระสงฆ์ทํำลายก่อนร้องโหมร้องไห้อย่างที่กล่าวมาแต่ท่านองค์นี้สุภัฒน์นี่ ท่านโล่งออกมาจากปากของท่านเลยท่านพวกท่านร้องไห้ทำไมพราะพุทธเจ้าตายไปดีแล้วถ้าหากว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านบอกอย่าทำนู้นอย่าทำนี้ล่ำคาญจะตายไปลักษณะอย่างนั้นท่านตายไปแล้วดีแล้วพวกเราจะทาอะไรก็จะทาได้ตามอำเภอใจตามอัธาใจไม่มีใครห้ามใครบอกป่านี้เนี่ยอันนี้หละแปลว่าคนไม่มีศรัทธาคนไม่เชื่อในบาปในบุญ ไม่เชื่อในกรัมเขาก็พ้งออกมาจากปากออกมาจากหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสราคะโสดาโมหะที่อัดแน่นอยู่นั่นแต่นี้พอพระอรหรันท่านได้ยินผู้มีหินิโอตปาผู้มักน้อยสันโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมหากระสปะท่านได้ยินโอ้พูดอย่างนี้ออกมาได้อย่างไรถ้าว่ามีพระอย่างองค์เนี้ยองค์โง่ๆอย่างเนี้ย พดขึ้นมาทุกแห่งทุกหนศาสนาของพระพุทธเจ้าจะอยู่นานสักเท่าไหร่ก็คงจะหมดโดยพรันเร็ววันไม่นานเลยถ้ามีพระอย่างนี้ขึ้นมามากๆเพียงแค่นั้นล่ะพระมหาคัจปปายกเป็นอุทาหรณ์ที่จะต้องทำสังคายนาพระทวีไนจากนั้นท่านก็พาพระสงฆ์เดินไปกราบพระศิลา จากนั้นก็ประชุมเพลิงแจกอธิษฐานจากนั้นพระมหากัศ ป, ปะก็ประชุมพวกน้องๆทั้งหลายที่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ก็บอกเออพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วถ้าว่าพวกเราไม่ร้อยกรองไม่รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย จะล่อยหลอหมดไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะประชุมหารือกันรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ใครองค์ไหนบ้างที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าตรงไหนอย่างไรพระสงค์ก็รับพร้อมกันจากนั้นก็ประชุมกันว่าเราจะประชุมกันที่ไหนสมัยนั้นก็คือกรุงราชคือเป็นราชธานีเป็นเมืองเจริญในเมืองหนึ่งใน ในยุคนั้นกรุงราชคือลกรุงสวัสดีแต่กรุงสวัสดีนั้นพระเจ้าแผ่นดินที่ครองเมืองยังไม่ไม่หนักแน่นแต่กรุงราชสือเนี่ยพระเจ้าอซ า, ศ า, ศาสัตรว์นี่ลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นผู้กับปลํำเป็นผู้เชื่อมั่นที่หลังน่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ถึงท่านจะโหดเหี้ยมเบื้องต้นที่ฆ่าพระบิดา สมคบกับพระเทวทัตที่จะปลงพระชนชีพของพระพุทธเจ้าแต่พอมากลับมาทีหลังนี้ท่านกลับท่านกลับใจเว่าโจรกลับใจก็ได้นักเลงกลับใจก็ได้ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระาเป็นที่พึ่งพระมหาคัถาปะเคยเห็นว่าอาซาศัตรูเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินะเมืองกรุงราชาคฤห์เนี่ยคงจะเป็นผู้ เป็นพุทธศาสนูปดผัมพกได้ท่านก็ชวนพระอานนุ์ไปถึงแล้วก็เข้าไปบอกแก่พระเจ้าชาตูพระเจ้าซาตูก็ยินดีรับเลยจะให้ข้าพระองค์ทําอะไรท่านก็ทําปรงปลำเสร็จแล้วพระมหาการปะก็ประกาศให้พระสงฆ์รับรู้รับทราบ พ, พระองค์ไหนไม่ได้เกี่ยวข้องในการสังฆารนาท่านก็ระบุชื่อไว้เลยองคไหนบางองคไหนบางองคไหนมั่งห้าร้อยอง ล้วนแล้วจะเป็นพระอระหันต์ที่จะมาประชุมสังคายนาเป็นครั้งแรกพระสงฆ์ห้าร้อยรูปนอกจากนั้นไม่เกี่ยวข้องนอกจากลายชื่อพระเหล่านี้แล้วขอให้ไปจํารรษาที่อื่นซะก่อนเพราะว่าพระห้าร้อยองค์เนี่ยจะต้องบินทบาทในกรุงราชคฤห์ทามาพระมาจาพรรษามากก็จะเป็นปัญหาในการเลี้ยงดูพระสงฆ์ถ้าทาสังคายนายก็ ทั้งที่จดชันจังหันตอนเช้าก็การสแสวงหาพระเยอะอาหารจะไม่เพียงพอบางทีอาจจะเสียเวลาในการประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมวินัยจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายกับสวดประกาศให้สวดให้รู้ทั่วถึงกันจากนั้นก็นี่แหละพระสงฆ์ก็ได้มา พระอานุ์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำไมพระมหากัเจปะท่านจึงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสามเดือนจึงจะทําสังขารนะเพราะทําสังขารนะนั้นจะเว้นพระอานุ์ไม่ได้แต่พระอานุนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระอานุนก็เสียอกเสียใจท่านเป็นพระเพียงพระโสดาบันเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพุทธองค์บอกเอออีกสามเดือนนะอานุ์ จากนี้ไปสามเดือนเธอจะได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ทีนี้พระมหากจะปะจะเว้นพระอนนหนไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงบอกประกาศออกไปแล้วก็ว่าเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปอีกสามเดือนจะทำสังคายนายสังขายนายที่กรุงราชคฤห์ที่ท้ำสัตบัญญัตคูหา พระสงฆ์ห้าร้อรูปจะมาประชุมล้วนแล้วจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยตอนี้กับพระอนนท์ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าประชุมก่อนหน้านี้ก็จะว่าพระสงฆ์4ี9รูปมีพระอนนท์องค์เดียวที่เป็นพระปุตุชนเพียงพระโสดาบันท่านก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเพราะนั้นจึงให้นัดประชุมอีกสามเดือนข้างหน้าล้วนแล้วเต็มเป็นพระอรหันต์ พระอานนท์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วว่าอีกสเดือนพระอานนท์จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นท่านก็คอยจนเที่ยวตามมัธยายาสายจนสเดือนจนจะเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าปรินิพานเดือนหเพนจากนั้นก็เดือน8เพนก็ประชุมรวมกันพระอานนท์ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างที่พระพุทธเจ้าพยากร์เอาไว้ท่านก่อ เขามาในถามกลางสงจากนั้นพระหมหากัจจปะที่เป็นประธานสงในสงห้าร้อยรูปท่านก็ถามว่าดูก่อนสงทั้งหลายพวกเราจะประชุมเรื่องอะไรก่อนในการประชุมในครั้งนี้เราจะพูดเรื่องพระอภิธรรมหรือเรื่องพระสูตรหรือเรื่องพระวินัยก่อน แล้วพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างก่อนที่ท่านจะปรินิพานท่านได้สั่งอะไรไว้บ้างพระอนุลพระนุลก็ได้กราบในถ้ำกลางสงแต่พระสงฆ์ทางหลายก็เห็นพระอ น, นุลเป็นพุทธอุปถาทำตัวไม่เหมาะสมบางอย่างอย่างที่เย็บผ้าพระพุทธเจ้าเอาตีนขีบแล้วก็เย็บอย่างนี้ขาดความครบพุ่นะ พระสงฆ์ทลาพระอนน์เป็นอาบัติทุกกฎพระอนนทก็ยอมยอมรับสารภาพเออข้าพระองค์ได้ใช้เอาตีนนิ้วตีนขีบจริงๆก่อนจะเย็บผ้าพระพุทธเจ้านี่พระสงฆ์ปรับอาบัติพระอนนก็ยอมแสดงอาบัตินี่แหละท่านถือความเคารพอวุโสพันเตอย่างมากๆจากนั้นก็พระอนน์ก็ถามว่าพระชนนะเป็นผู้กระด้างกระเดือง พระพุทธองค์บอกว่าเมื่อเราตถาคตปรินิพานแล้วให้ลงพมมาทันแก่ชันณนะแก่พระชันณนะคือพระชันนะนี่พวกเราก็คงจะได้อ่านประวัติพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าหนีออกจากวังเวียงวังกลางคืนกรุงกระบินลพัดก่อนขึ้นไปนั่งบนหลังม้าขันทกะขันทกะออกไปบวชกับสิท ธ, ธัตถะ เมื่อแต่จิตตสให้กลับมาม้าตายชันน่ะก็กลับมากรุงกบินลพัฒเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจา้าชันนะก็เข้าไปบวชเป็นพิศษุหรือ ว, ว่าพระชันนะ่ะแต่พอเป็นเมื่อไปบวชแล้วความแข็งกระด้างของท่านไม่ยอมใครว่างั้นเอยอมแต่พระองค์องค์เดียวกลัวไม่กลา้าแต่องค์อื่น ไปสอนในท่านชนะท่านจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะผิดวินัยนะทำอย่างนี้นนนะพรนะพฉันนะจะด่าทัานทีเออพระเราเนี่ยเธอพวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาไม่รู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าใครพามาบวชใครเป็นคนนําพาไปบวชผมนะพาไปหนะ <c oughs> ุ่น่ะทิฏฐิไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะฉันนาพาพระพุทธเจ้าไปบวชพอพระพุทธเจ้าได้จัดสรุธทำแล้ว องนั้นทำท่าว่าพบเป็นสารีบุตรพระโมกคลาเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้อํานาจวาสนาที่แท้ผมเนี่ยเป็นพาพระพุทธเจ้าพาพุตพวกท่านจะมาสอนผมก็แล้วกันอ่าทีนี้พระสงฆ์จะทำยังไงไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาเรียกมาสอนสอนก็เฉยในขณะที่ฟังกลับไปแล้วก็ทำอย่างเกา่าพระพุทธองค์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงจนผลที่สุดเออเมื่อเราปรินิพานแล้วนะ่ะให้ลงพรมปทันแก่ฉันนานะอ น, นุน พระ อ, อ น, นุลก็ถามว่าลงทัพลงยังไงบอกว่าให้เรียกพระชนะเข้ามาในถ้ำกลางสงจากนั้นให้สงประกาศว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้ละเป็นต้นไปขอสง์ที่มาประชุมกันเองหรือนอกที่ประชุมก็ตามห้ามว่ากล่าวตักเตือนพระชนะพระชนะจะทําอะไรขอให้ทําตามอําเภอใจตามอัธาใจอย่าไปยืนอย่าไปคุยอย่าไปให้ความเอือกเฟือแก่พระชันนะ ท่านพระช น, นะจะทำอะไรแปลว่าพระช น, นะอยู่นอกระบบของพวกเราพวกเราไม่ได้ถือว่าอยู่ในอยู่ในกรอบไม่ใช่เป็นมิตรเป็นสหายของพวกเราปล่อยอาช น, นะตามสบายอันนี้ก็คือลงพมมาทันเมไม่ให้องค์ไหนว่าก่าวตักเตือนที่นี่ก็พอถึงเนี่ยเจ้าเดชพระสงฆ์ก็เรียกพระช น, นะมาว่าเกา่าโอ้พระช น, นะได้ยินท่านเอง เป็นลมล้มหงายหลังเลยงั้นเอะประนมมือขอบอกตอนนี้ไปผมจะไม่ทำตัวอย่างนั้นอีกขอให้หมู่พวกเพื่อนว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังทุกอย่างที่เป็นธรรมเป็นวินยัยผมยินดีรับฟังผมจะไม่ทำอย่างเก่าจากนั้นพระสงฆ์ก็สวดประกาศกลับคืนว่าเออฉันน่าเป็นผู้ยอมแล้วเป็นผู้ตั้งใจแล้วเป็นหมู่ของเพื่อนของพวกเราแล้ว เป็นผู้ว่ากาวเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วเป็นที่นั้นขอสงจงรับข้อเป็นหมูเป็นเพื่อนอาจากนั้นพระชนะท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์บำเพ็ญไม่นานอันนี้คือพระพุทธเจ้ า, าสั่งให้ทาพินัยกรรมทําแบบพินัยกรร ม, มอย่างนั้นแต่ท่านก็สั่งเอาไว้แต่เทนิพระมหากสปะ ไปชุมสงแล้วท่านก็เราจะทําอะไรก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายก็ลงมติกันเล ย, เนยอย่างที่ผมพูดเบื้องต้นนะว่าพระวิ น, ยนัยนพระวินยัยผูใ้ใดเจ้ามองเห็นพระวินัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายพระรหันห้าร้อยรูปลงมติเป็นเอกฉันแลว้วบอกว่าพระพูทธเจ้าตรัสว่าเคยพูดไว้ว่าก่อนที่ผูใ้ใดเจ้าจะปรินิพานหรือว่าผู้ทธเจ้าเคยสั่งพระสงฆ์ไว้ว่า ถ้าทำวินัยถ้าวินัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นท่นนี้ท่านบอกเรื่องศีลเป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าว่าพวกเราไม่มีศีลชะวันนี้ศาสนาพุทธความหมายของพุทธศาสนาก็หมดเพราะฉะนั้นศีลเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมาอันดับแรกเพราะนั้นเราควรจะพูดเรื่องศีลก่อน สังคารนานในวันนี้จากนั้นท่านก็เห็นว่าพระพุทธเจ้ายกย่องพระอุบาลีพระอุบาลีได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกวับเรื่องกฎระเบียบเรื่องวินัยละเอียดเพราะท่านเคยตัดเคยสําระอธิกรณ์หลายครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ท่านให้อุบาลีเป็นผู้ชําระอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในสง์ ท่านเป็นผู้พิพากษาบางั้นเถอะเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นหลายเรื่องพระพุทธเจ้ายอมรับปวะอืออุบลีนเป็นผู้เก่งแต่ท่านก็เลยได้รับเอตตะคะเลิศ ก, กว่าพิสุททั้งหลายเป็นผู้แม่นในวินัยจากนั้นขอพระสงค์พระมาหากคตปะก็เป็นผู้ถามละบ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อที่หนึ่งบัญญัติที่ไหนใครเป็นคนกระทำความผิด ทำเรื่องอะไรจากนั้นพระอุบาลีก็พิชิตนาแ้าก็ถามในรายละเอียดลงไปว่าละองค์ที่จะทำต่อไปนะั้นมีไหมทำด้วยอะไรอันนี้พวกเราจะศึกษาในประไตรปิฎก ม, มีถามถามถามจากนั้นก็ถามพระวินัยชองสิขบทที่หนึ่งที่สองที่สามจนสองอยิบเ็อภิสมาจารย์พระสงฆ์ที่นั่งฟังก็แค่ว่าจดจำนั่งบันทึกใน <c oughs> เข้าในสมองอะไรนั้นเถอะ บันทึกนะ้นเครื่องบันทึกเข้าใน เ, เครื่องคอมพิวเตอร์ของใครของเราแล้วงั้นเถอะอืมจากท่านพอพูดพินายจบแล้วก็เป็นที่ไม่คล่องใจสงสัยกับเรื่องพระสูตรบาดพระสูตรเนี่ยอยู่กับพระอนุนทั้งหมดเป็นครังพระไตรปิฎกพระมหากัรตะปาถามเอาเรื่องพระสูตรพระพุทธเจ้าเทศให้แก่ใครก่อนสูตรนั้นมาจากไหนสูตรนั้นเป็นพระอ น, นุ์กับพูด แสดงออกมาพระสงฆ์ท่านละก็ฟัง น, นี่แหละอันนี้คือทรรมวิเนยในสังคายานาครั้งแรกท่านมรดว่าน์พระสูตรพระวินนยพระอภิธรรมท่านเพียงแต่ว่าทรรมวิเนยสังคายานาครั้งแรกเพียงแต่การจ่วงจับของพร ะ, ะแก่รูปหนึ่งในยุคนั้นพระมหากัจจปะก็ยังยกเป็นประเด็นขึ้นมา ทำสังขายนาไปนั้นเรื่องอะไรเกิดขึ้นในสงฆ์ก็ตามพวกเราที่อยู่สุดท้ายปลายแดนถ้าหากผิดจากหลักธรรมวินัยแล้วพวกเราก็ควรจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสกัดกัน้นไม่ให้มันมีเรื่องเกิดขึ้นที่มันไม่ไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่สมในวงการของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดของเราอย่างเนี้ย อย่าให้มันมีสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นให้สำรวมให้ระวังรักษาศีลรักษากายวาจาของเรานะอันนี้คือพูดให้ฟังเกี่ยวกับพระพินัยเกี่ยวกับการเป็นมาของอ้างอิงถึงหลักพั ส, สตรหรือพระไตรปิฎกที่มาพูดถึงเรื่องธรรมรักษาศีลเพื่ออะไรก็เพื่อ เพื่อจะให้เข้าไปสู่ธรรมให้ลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นอีกอันนี้ก็คือศีลก็คือเป็นรั้วกัน้นไม่ให้ไปออกไปนอกลูนอกทางให้เดินไปทางสู่มรรคผลนิพพานถ้าว่าไม่มีศีลแล้วมันออกไปนอกลูนอกทาง เ, ป, เ, ป, เ ป, ป๋เป๋ไปเป๋มาผลที่สุดก็จะเดินไม่ถึงไหนแต่นี้ศีลคือกรอบเป็นรั้วกัน้นทั้งสองฝากฝั่งให้เดินไปถึงจุดหมายปลายทาง ในเมื่อมีศีลแล้วใจของเราไม่ฟุ้งซ่านกับความชั่วทางกายทางวาจาปีเป็นมลทินจิตใจของเราเขาเข้าสู่ความสงบแล้วจะเข้าสู่ความสงบได้เพราะอะไรกระเพราะการบริกรรมหรือการกําหนดอย่างพวกเราที่ผู้ปฏิบัติก็คือครูบาอาจารย์หรือ พ, พอระพุทธเจ้าท่านให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เราคือหลั เมื่อสินของเราดีแล้วก็กำหนดภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้จริงจังให้กำหนดเมื่อเผลอไปก็ดึงกลับมาจนจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งใจเย็นสบายใจรวมใจไม่คิดบกแฟกใจไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆภายนอกเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นำจิตที่มันสงบมาพิจารณาทางด้านปัญญา การพิจายรณานะพิจายรณาอะไรพิจายรณาที่เราเห็นก็นคือร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้คือกรรมฐานห้าเนี่ยที่พวกเราบวชเข้ามาพุทธเจ้าให้พระอุปชัยะท่านบอกกรรมฐานห้าให้เลยเกษาโลมานะคาทันตาตะโจย้อนกลับอีกตะโจทันตานะคาโลมาเกษาสองครั้งย้อนไปย้อนกลับคือให้ชัดเจน เกษาคือผมโลมาคือขนนัขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังแล้วก็ตะโจ อ, อีกทันตาหนัขาโลมาเกษาย้อนกลับว่าร่างกายสังขารทุกส่วนเนี่ยมีหนังล้อมรอบอยู่นะอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะเวลามันยังไม่พอต่อไปยังค่อยว่ากันอีกจะค่อยสอนกันอีกอันนี้ขั้นในพิยานาเกษาของไม่เที่ยงเกษาผม มันเป็นงอกเป็นเช่นเช่นบนศีรษะถ้าตัดลงไปในพื้นดินเป็นของขยะขยแขยงถ้าอยู่บนหัวนก็รับของใครของเรารักษาขาว่าสวยงามโรมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังผิวหนังก็ต้องเหงื่อขี่ใครต้องได้ชำระล้างอยู่เสมอเข้าไปข้างในเป็นยังไงมีเลือดอมีอสุภะปฏิกูล จนถึงลำไส้ลำไส้ของเรามันเป็นไงร่างกายของเรามันจะอยู่นานไหมอยู่ไม่นานร่างกายเนี่ยอยู่ไม่นานจะต้องแตกสลายในที่สุดไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่ถึงร้อยปีอย่าะงั้นถ้าร้อยกับร้อยร้อยแบบหมดสภาพถ้าคนมีอายุร้อยความคิดความอะไรมันเชื่องชาไปหมดนี่แหละร่างกายหมดสภาพเหมือนรถที่มันแก่อย่างนั้นนี่นะ อันนี้คือคือให้ท่านพิจารณาวิปัสนาพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อพิจารณาถึงร่างกายพิจารณานดาูจิตใจของเราสงบแล้วพิจารณากายพิจารณามันเห็นเป็นจริงเป็นจังจากนั้นก็พิจารณานถึงจิตตัวผู้รู้จะเว้นตัวจิตไม่ได้ตัวใจไม่ได้จิตใจของเราเนี่ยคือสิ่งที่พิจารณ า, นานเนี่ยคือนามธรรม ที่มองเห็นกายและพิจารณากายคือใจทั้งนั้นใจเป็นหัวหน้าบาทกําหนดถึงใจใจคือสิ่งที่รับรู้เรื่องต่างๆกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้อยู่ที่กายเนีมันอยู่ที่ใจเด้บยเปล่าเใจเป็นคูบปรุงใจเป็นผู้แต่งใจเป็นผู้อวดรู้อวดฉลาดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดใจเป็นหัวหน้าหลักที่ว่ามโนปุพัง์ลยมโนปุพังข์ขมาธรมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เป็นมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจนะเพราะฉะนั้นท่านในพิจารณาถึงใจดูใจมันคิดเรื่องอะไรใจดวงนี้มันทางออกของมันมันมีอยู่ทางออกทางทางเดินของใจทางเดินของกิเลสทางเดินของสังขารทางเดินของนามธรรมมันมีอยู่ห้าประตูมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย ตาไปเห็นรูปไปยังไงนี่แหละมาทางเดินของของของของกิเลสของใจของนม า, ามธรรมของสังขารตาเห็นรูปเป็นไงรูปพอใจรูปไม่พอใจเกิดราคะโทสะโมหะหูได้ยินเสียงเป็นไงจ ม, กมูกดมกลิ่นไปยังไง ล, ล, ลิ้มลิ้นในลิ้มรสไปยังไงนี่แหละทางเดินของของใจทางเดินของกิเลสถ้าว่าเราเป็นธรรมใจของเราพระรหันธันกิตใจของผูดทนไทยเป็นธรรมมองตทางตา ก, ก็เป็นธรรม ไม่มีอะไรเข้ามากระทบส่งเข้ามาหาใจกับท่านเขารูา้แต่นอกจากนั้นทาว่าเป็นใจผุ้ติชนใจเป็นผู้ยังมีกิเลสนะเอพอเห็นตาเข้ามาทั้งใจกับเกิดควันตลบขึ้นมาเลอะไรเพื่นอนเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาเพราะนั้นท่านให้มองที่ใจบัตรดูที่ใจมองที่ใจมันอารมณ์เราเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงมันเศร้าหมองหรือผ่องใส มันคุณมัวยังไงเนี่ยนี่แหละท่านให้มองที่ใจผลที่สุดกับปล่อยวางที่ใจปล่อยที่ใจวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจตัดรู้ธรรมตัดรู้ที่ใจเป็นพระรหันใจเป็นพระหันหมดจดจากกิเลสผู้หลุดพ้นคือไม่ใช่อื่นไกลใจตรงนี้แหละที่ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสเพราะหมดลดพ้นจากกิเลสนั่นแหะเป็นธรรมหรือปล่าเนี่ย เป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมานสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่กล่าวมาทั้งหมดเกิดเบื้องต้นก็คือศีลการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันแถวแนวที่พระพุทธเจ้าพระหันท่านวางเอาไว้เป็นแนวทางปฏิบัติให้พวกเราได้ซ้ำเนียกซ้ำนึกจนมาถึงเรื่องสมาธิก่อนที่จะเป็นสมาธิได้ก่อนเนี่ย มันต้องเป็นภูมิศิลป์หมดจดพอสมควรจากนั้นก็เดินทางพิปัจนาพิจารนกายเพื่อเป็นของหยาบที่มองเห็นโดยอีกตาเนื้อจากนั้นก็พิจารณาถึงใจเมื่อเห็นกายปล่อยวางที่ทกายแล้วเห็นกายแล้วก็ปล่อยมันก็มาถึงตัวจิตใครเป็นคนไปพิจารณาใครเป็นคนไปยึดไปถือในกายวาจานั้นคือใจมาพิจารณาดูที่ใจเฉย ดูที่ใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจุ ด, ดพ้นที่ใจนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านธรรมะของพระพุจําอย่าไปหาที่อื่นนะอยไปาหาที่อื่นนะผิดหล่กถ้าเข้ามาหาใจแล้วไม่ผิดตัวนี้เอถ้ามาจุดนี้เราดูใจตัวเองนั่นนี่แหละจุดใหญ่เป็นจุดนี้ไม่ผิดเลยเพรางั้นแต่ตัวนี้เอถล่มลงตัวนี้เลย